1.13 จาคำว่าถาวรในสังสารวัติไม่มีวงเล็บเปิดสี่พฤศจิกายน2549ส่ิวงเล็บปิดส่วนใหญ่นักปฏิบัติจะพลาดอยู่สองจุดจุดแรกไม่เห็นรูปเห็นนามตัวจริงไม่ได้ดูกายดูใจจริงๆจุดที่สองพอมารู้กายรู้ใจชอบมาเพ่งใส่มันชอบไปควบคุมบังคับมันไปดัดแปลงมันไม่ได้รู้มันอย่างที่มันเป็นจุดนี้สาคัญนะนักปฏิบัติเกือบทั้งหมดติดอยู่ตรงนี้เลย ที่หลายคนบอกว่าภาวนาหลายปีไม่บรรลุมรรคผลเสียทีบรรลุไม่ได้เพราะชอบแทรกแซงไม่ใช่รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงหรอกเราเคยเดินธรรมดาเราก็เดินไม่เหมือนธรรมดาเคยหายใจธรรมดาก็หายใจไม่เหมือนธรรมดาจิตใจเคยสุขบ้างทุกบ้างก็จะไปบังคับมันจิตใจเคยดีบ้างชั่วบ้างก็จะเอาอันหนึ่งไม่เอาอันหนึ่งจะเอาดีละชั่วใจเราวนเวียนอยู่กับเรื่องพวกนี้ แต่ถ้าเรารู้กายรู้ใจเพื่อให้เห็นความจริงของเขาความจริงนั่นแหละคือธรรมะถ้าเรียนเอาความจริงก็คือเรียนเพื่อเอาธรรมะถ้าเรียนเพื่อความสุขถาวรความดีถาวรความสงบถาวรคือเรียนเอาของไม่จริงเพราะความสุขถาวรในสังสารวัตไม่มีนะความดีถาวรในสังสารวัตรก็ไม่มีคาว่าถาวรในสังสารวัตก็ไม่มีฉะนั้นเราภาวนาแทบลมแทบตายก็พบว่าวันนี้สงบพรุ่งนี้ฟุ้งซ่าน วันนี้ดีพรุ่งนี้ร้ายเมื่อไรนะจะสงบถาวรเมื่อไรนะจะดีถาวร น, นั่นไม่ใช่ศาสนาพุทธนะแต่ถ้าเราเรียนรู้ความจริงของกายของใจจนรู้ว่าเออมันของไม่ถาวรหรอกมันไม่ใช่ตัวเรามันทํางานได้เองนี่แหละเข้าใจศาสนาพุทธแล้วจุดที่หนึ่งเลยเห็นกายเห็นใจไม่ใช่เราคือละสักยัตทิฏฐิละความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นเราได้ตามรู้ตามดูต่อไปก็จะเห็นเลย ถ้าเราเข้าไปอยากเข้าไปยึดเราจะทุกข์ถ้าไม่อยากไม่ยึดในกายในใจนี้ก็ไม่ทุกข์นี่เป็นปัญหาระดับกลางๆพระอนาคามีก็เห็นได้ระดับนี้จะเห็นเลยถ้าใจตั้งมั่นอยู่ไม่ไหลไปไม่ห ล, ไไลงไปก็ไม่ทุกข์ถ้าใจไหลไปอยากใจไหลไปยึดใจจะทุกข์รู้แล้วนะว่ามันไม่ใช่เรามันทำงานได้เองแต่ถ้ามันไหลไปมันจะทุกข์ถ้ามันไม่ไหลไปก็ไม่ทุกข์ จะรู้สึกอย่างนี้จนกระทั่งวันหนึ่งปัญญาแจ้งนะตัวจิตตัวใจนี่แหละตัวทุกข์ล้วนๆเลยเป็นทุกข์โดยตัวของมันเองไม่ใช่ว่ามีความอยากมีความยึดแล้วถึงจะทุกนะตัวมันนั่นแหละตัวทุกข์นี่เข้าใจยากที่สุดเลยการที่เห็นว่าขันห้าเป็นทุกข์เป็นภูมิปัญญาของพระอรหันต์ฉะนั้นอริยสัจสี่ท่านถึงสอนทุกขสัจจะเป็นข้อแรกอะไรคือทุกข์ขันห้าคือทุกข์พวกเราไม่สามารถเห็นว่าขันห้าเป็นทุกข์ อย่างกายนี่เราก็จะเห็นว่าทุกบ้างสุขบ้างจิตใจของเรารู้สึกไหมทุกบ้างสุขบ้างเราจะรู้สึกอย่างนี้ตราบใดที่ยังรู้สึกอย่างนี้เราจะดิ้นรนหาความสุขไม่เลิกหรอกเพราะยังมีทางเลือกแต่ถ้าสติปัญญาแก่รอบนะรู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจให้ถึงที่สุดจริงๆแจ่มแจ้งจริงๆเลยเห็นกายนี้ทุกลุ้นล้วนนะจิตใจก็ทุกลุ้นล้วนถ้าเห็นถึงจิตใจว่ามันทุกข์ลุ้นล้วนมันจะปล่อยวางความยึดถือจิต มันจะหมดความอยากที่จะให้จิตนี้มีความสุขหมดความอยากที่จะให้จิตพ้นทุกข์หมดความอยากที่จะให้จิตดีหมดความอยากที่จะให้จิตเลิกชั่วหมดความอยากเพราะฉะนั้นถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งรู้ว่าจิตนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆความอยากที่จะเอาดีเอาสุขอะไรก็จะหมดไปความอยากที่จะหนีชั่วหนีทุกข์ก็จะหมดไปรู้ทุกข์แจ่มแจ้งนั่นแหละละความอยากละสมุทัยได้พระพุทธเจ้าถึงสอนธรรมะเริ่มจากทุกข์ก่อน ให้รู้กายรู้ใจถ้ารู้กายรู้ใจแจ่มแจ้งเมื่อใดนะรู้ทุกแจ่มแจ้งเมื่อใดสมุทัยจะถูกละอัตโนมัตินี่พวกเราก็เข้าใจธรรมะได้ระดับหนึ่งเรารู้สึกว่าถ้ามีความอยากความยึดมันจะทุกข์สมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราเห็นในมุมเดียวเราเห็นปฏิจจสมุรปรบาทท่อนปลายว่าถ้ามีตัณหาอุปทานก็มีทุกข์ขึ้นมา แต่เรายังไม่สามารถเห็นปฏิจจสมุปบาทส่วนต้นที่ว่าไม่รู้ทุกจะเกิดสมุทยัยถ้าเราไม่รู้ว่าขันห้าเป็นทุกข์กายใจเป็นทุก์มันจะเกิดสมุทยัยคือความอยากให้กายนี้ใจนี้เป็นสุขถาวรฉะนั้นธรรมะของท่านลึกนะอริยสัจสี่ 4, ลึกที่สุดเลยสมัยพุทธกาลสามเดือนก่อนปรินิพานในพระสูตรบอกเอาไว้ว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงรายวันแสดงเป็นส่วนมากคืออริยสัจนี่เอง พระพุทธเจ้าถึงขนาดพูดว่าถ้าไม่รู้แจ้งอริยสัจก็ยังต้องเวียนไหว้ตายเกิดอีกคือตราบใดที่เรายังเห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเรียกว่าไม่รู้แจ้งทุกข์ถ้าเราเห็นว่ามีความอยากมีความยึดถึงจะทุกข์ถ้าไม่อยากไม่ยึดไม่ทุกข์ก็ไม่เรียกว่ารู้แจ้งสมุทัยนะยังคนทั่วๆไปในโลกจะรู้สึกตื้นตื้นรู้สึกว่ามีความอยากยังไม่ทุกข์นะถ้าไม่สมอยากถึงจะทุกข์ คนทั่วๆไปสัตว์ทั่วๆไปรู้สึกอย่างนี้อยากได้แล้วไม่ได้ถึงจะทุกข์นี่ตื้นที่สุดแล้วพอพวกเราภาวนารู้จิตรู้ใจตัวเองเราจะเห็นเลยแค่จิตเกิดความอยากก็เกิดความทุกข์แล้วพอมีความอยากเกิดขึ้นใจมันจะดิ้นดินทุกข์เกิดแล้วจะสมอยากหรือไม่สมอยากก็ทุกข์นี่ความรู้ระดับกลางๆนะแต่ระดับสุดท้ายเลยที่จะเข้าใจแจ้งเลยคือจิตใจนี้แหละจะมีความอยากจะมีความยึดหรือไม่ก็ตาม จิตใจนี้คือตัวทุกข์นี่เรียกรู้ทุกข์นะถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อใดมันจะสลัดปล่อยวางความยึดถือจิตออกไปมันจะคืนจิตให้โลกคืนจิตให้ธรรมชาติไปฉะนั้นความอยากความดิ้นรนที่จะให้ใจเป็นสุขความอยากความดิ้นรนที่จะให้ใจพ้นทุกข์ก็หมดไปโดยอัตโนมัติเราคืนเข้าไปแล้วจะไปอยากมันทาไมไม่ใช่ของเราเลยฉะนั้นวิมุตติคือความหลุดพ้นคือความไม่ถือมั่น ไม่ถือมั่นในรูปในนามในกายในใจเมื่อใดปล่อยความยึดมั่นในจิตในใจได้ก็พ้นทุกข์จริงๆแล้วพระพุทธเจ้าสอนว่าขันห้าเป็นภาระเป็นทุกข์คนที่แบกของหนักก็จะไม่พ้นจากทุกข์พระระยาเจ้าวางของหนักลงไปแล้วและไม่หยิบฉวยขึ้นมาอีกถึงจะพ้นจากทุกข์